ต่อไปนี้ฝึกแผ่เมตตาก่อนอื่นเราจะต้องแผ่เมตตาให้ตนเองสกักคนคิดในใจซึ่งในใจเลยทีเดียวขอข้าพเจ้าจงอย่ามีทุกข์กายทุกใจขอข้าพเจ้าจงมีความสุขเป็นการปรารถนาความสุขให้แก่ตนเองทุกคนสามารถจะทําได้คนที่มีความทุกข์ที่สุดก็คงจะปรารถนาให้ตนเองมีความสุขความปรารถนาความสุขเช่นนั้นนะทําให้เกิดขึ้น ทำให้มีขึ้นในจิตในใจของเราขอข้าพเจ้าจงอย่ามีทุกข์กายทุกข์ใจขอข้าพเจ้าจงมีความสุขอันดับต่อไปแผ่เมตตาไปยังสัพพะทัตทั้งหลายคิดในใจซึ่งเหมือนกันขอสัพพะัตทั้งหลายจงอย่ามีทุกข์กายทุกข์ใจขอสัพพะทัตทั้งหลายจงมีความสุขเป็นการปรารถนาความสุขให้แก่สรพพะัตทั้งหลาย การแผ่เมตตาคือการปรารถนาความสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่นเท่าเทียมกันเสมอกันนี่เป็นหัวใจเป็นหลักตสำกันของการแผ่เมตตาอันดับต่อไปทําความสม่ําเสมอในบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวเราเองด้วยโดยการคิดถึงบุคคลสี่คนหนึ่งตัวเองนึกทั้งตัวเราที่นั่งอยู่ในปัจจุบันสองคนที่เรารักไม่ใครมั่งรักมากที่สุด สมคนที่ไม่รักไม่จังคนทั่วๆไปสี่คนที่เราไม่ชอบคนที่เราเกลียดแพร่เมตตาคือปรารถนาความสุขให้บุคคลทั้งสี่คนนี้เท่าเทียมกันเสมอกันคนนี้ทําได้ยากสักหน่อยแต่พยายามดูนึกถึงคนที่เกลียดที่สุดแพร่เมตตาคือปรารถนาความสุขให้เท่ากับตัวเราเอง ให้เท่าคนที่เรารักให้เท่าคนที่ไม่รักไม่ช่างคนทั่วไปพยายามทําดูถาว่าเราแผ่เมตตาเป็นประจำทุกวันเราจะหาคนที่เกลียดไม่พบทุกคนจะเสมอนึเป็นมิจฉาทิยเป็นญาติหรือเป็นพี่น้องหรือเป็นลูกเป็นหลานมีความปรารถนาดีเท่าเทียมกันเส ม, มอกัน อันดับต่อไปแผ่เมตตาอยู่สรรพธาตุทั้งหลายทั่วจักรวาลแผ่เมตตาคือปราถนาความสุขไปอย่างสรรพธาตุทั้งหลายทั่วจักรวาลนับตั้งแต่พรหมพรหมอยู่เหนือเทวดาขอพรหมทั้งหลายจะมีความสุขลงมาเทวดาขอเทวดาทั้งหลายจะมีความสุขลงมามนุษย์ขอมนุษย์ทั้งหลายจะมีความสุขลงมาพวกเปรศ แต่จะมีความหิวโหยเป็นประจำขอเปรตทั้งหลายจะมีความสุขลงมาพวกอสุรกายอสุรกายได้มีความทุกข์ทรมานทางกายเป็นประจำขออสุรกายทั้งหลายจะมีความสุขลงมาพวกสัตว์ริษานขอสัตว์ริษานทั้งหลายจะมีความสุขลงมาพวกสัตว์นรกขอสัตว์นรกทั้งหลายจะมีความสุข แผ่เมตตาครปตนาความสุขไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วจักรวาลขอสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วจักรวาลจงมีความสุขอันดับต่อไปแผ่เมตตาบัทธิ์ทิศต่างๆแผ่เมตตาคุปตนาความสุขัทิศหน้าตรงหน้าเราทิศหลังแผ่สุขไปหลังเราทิศขวแผ่สุขไปขวามือทิศซ้ายแผ่สุขไปซ้ายมือ เฉียงข้างหน้าทางขวาแผ่ความสุขไปเชียงข้างหน้าทางขวาเฉียงข้างหน้าทางซ้ายแผ่ความสุขไปเชียงข้างหน้าทางซ้ายเฉียงข้างหลังทางขวาแผ่ความสุขไปเฉียงข้างหลังทางขวาเฉียงข้างหลังทางซ้ายแผ่ความสุขไปเชียงข้างหลังทางซ้ายทิศบนแผ่สุขไปมันหัวหลอทิศล่างแผ่สุขเด้งลงพี่น้อนั่งสมมติว่ตัวเรานี่ใกล้ๆหลอดไฟฟ้า แรัศมีไม่ใช่แสงสว่างแต่เป็นรัศมีแห่งความสุขหรือการปรารถนาความสุขแผ่ออกไปรอบตัวเราสรุปขอข้าพเจ้าจะมีความสุขขอสัพพสัตว์ทั้งหลายจะมีความสุขนึกแผ่ความสุขนี้ออกไปรอบตัวเราทุกที่ทุกทางไม่มีขอบเขตเป็นความสุขนึกแผ่ความสุขให้กับตนเอง แผ่ความสุขให้แก่สัพพ ะ, ะทั้งหลายนึกแผ่ควมสุขเนี่ออกไปรอบตัวเรากว้างออกไปกว้างออกไปไม่มีขอบ เ, เขตในความสุขนึกถึงความสุขที่แผ่กว้างออกไปเป็นอารมณ์อารมณ์ของเมตตาพรหมวิหารคือความสุขที่แผ่กว้างออกไปเป็นความสุขที่เกิด ข, ขึ้นจากการปรารถนาความสุขให้แก่ตนเองและสัพพ ะ, ะทั้งหลายแต่เขาว่าเราทําไว้สักพักอารมณ์นี้อาจจะจางไป หรืว่ามีอารมณ์อื่นมาแทรกทําให้สับสนเราก็เริ่มตนคิดใหม่ขอข้าพเจ้าจงมีความสุขขอสรพพะัตทั้งหลายจงมีความสุขนึกแผ่ความสุขนี้ออกไปรอบตัวเราทุกที่ทุกทางไม่มีขอบเขตแห่งความสุขนึกแผ่ความสุขให้กับตนเองนึกแผ่ความสุขให้แก่สัพพะทัตทั้งหลาย นึกแผลความุนี้ออกไปรอบตัวเรากว้างออกไปกว้างออกไปไม่มีขอบเขตเป็นความสุขนึกถึงความสุขที่แผลกว้างออกไปเป็นอารมณ์ทำต่อไปสักพัก